ผู้ช่วยศาสต ร, ราจา ร, รย์ดรสตัคุณเดชพันธ์อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตรม์มทรอีสานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันบริการวิชาการมทร อ, อีสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการนี้เลือกถนนต้นแบบบริเวณบ้านหัวฟ้ายหมู่ที่ห้าตำบลห้วยทายเชื่อมบ้านสลวงนอกหมู่ที่3ามตำบลสลวงอำเภอ ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการทําถนนแบบพาราดินซีเมนตที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีส่วนผสมของดินซีเมนและน้ํำยางข้นเป็นส่วนประกอบหลักสําหรับระยะทาง1กิโลเมตรนั้นใช้น้ํำยางข้นกว่า19ตันขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศและช่วยแก้ไขปัญหายางพาราล้นตลาดได้โดยคุณสมบัติของถนนพาราดินซีเมน คือทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ดีและน้ำไม่ท่วมขังซึ่งทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทำการถ่ายทอดความรู้เรื่องของสูตรและสัสดส่วนผสมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่อื่นๆได้อีกต่อไปจิสุภาประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรรสารรายงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแผนปรับเปลี่ยนองค์กรพัฒนารถไฟทางคู่และรถไฟชานเมืองสถานีกลางบางซื่อให้แล้วเสร็จตามแผนนายกุลิสสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอกล่าวว่าในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน c h a ทูเดอะฟิวเจอร์ครั้งที่หนึ่งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตใหม่รถไฟไทยโดยเชื่อว่าภายใน10ถึง20ปีจากนี้แนวโน้มของการเติบโตของรถไฟมีแนวโน้มสดใสาหากมีการผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะแผนพัฒนารถไฟทางคู่และทางสายใหม่โดยกำชับให้พนัก ง, งานการรถไฟทุกคนร่วมผลักดันแผนการดาเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ระยะ5ปีของปีงบประมาณ2 5 6 2ถึง 2, รวม7โครงการ13สัญญาระยะทาง993กิมโลเมตรงบประมาณ113660ล้านบาทให้เป็นไปตามแผนรวมถึงการวางแผนพัฒนารถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อพัฒนาที่ดินย่านพหลโยธินให้สามารถเกิดให้บริการภายในวันที่1มกราคมสองด้านนายวรวุิมาลารักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนรฟทจะมีหนี้สินสะสมเพิ่มมากขึ้นรวมถึงองค์กรที่มีความล้าสมัยไม่สามารถแข่งขันได้และอาจถูกโอนให้หน่วยงานอื่นมาบริหารงานแทนโดยพนักงานมีความเสี่ยงตกงานทั้งนี้จากการประมาณการผลประกอบการปี2562คาดว่าจะมีหนี้สะสม 141,986 ล้านบาทและในปี2566รฟทจะมีหนี้สินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น1 9 9 0